ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่สองบัดนี้ก็ได้รับสรารณาคมและทศศีนคือศีนสิบสำเร็จการบรประชาเป็นสามันเอ็นแล้วนิบัดนี้ยังประสงค์จะอุปสมบท เพื่อให้เป็นพระภิกษุโดยสมบูรณ์ต่อไปก็ได้เข้ามากล่าวคำขอนิสัยขอให้ข้าพเจ้าเป็นอุปชายะในเบื้องต้นนี้ก็จะต้องทำความเข้าใจถึงความหมายของการขอนิสัยและความสัมพันธ์ที่เป็นอุปชาแก่ท่าน คำว่านิสัยนั้นก็แปลว่าที่อาศัยหมายความว่าท่านทั้งหลายได้เข้ามาขออาศัยขพเจ้าให้ขบเจ้าเป็นที่อาศัยหรือเป็นที่พึ่งพาเป็นที่พึ่งพาอย่างไรก็คือพึ่งพาในการที่จะศึกษาเล่าเรียนปฏิบัติพระธรรมวินัยต่อไปเพราะว่าผู้ที่ บวชใหม่ยังไม่มีความรู้เข้าใจพระธรรมวินัยที่จะปกครองตนเองได้จึงต้องอาศัยพระที่ท่านได้เรียนรู้ธรรมวินัยมาเคยมีชีวิตอยู่ในภิกษุภาวะมาได้มาช่วยแนะนำให้คำสอนเบื้องต้นรู้จักวิธีครองตน และแนะนําในการที่จะศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยต่อไปจึงได้มีพุทธบัญญัติวางไว้ว่าให้ผู้ที่บวชใหม่นี้ไปอยู่อาศัยพระอุปชัชฌาย์ท่านทั้งหลายก็มาขออาศัยข้าพเจ้าและขอให้ข้าพเจ้าเป็นอุปัชฌาย์อุปัชฌาย์นั้นก็แปลว่าผู้คอยเพ่งดูอยู่หรือคอยดูอยู่ใกล้ๆ หมายความว่าคอยเอาใจใส่ดูแลดูแลอะไรมองในแง่หนึ่งคล้ายๆปกครองแต่ที่จริงไม่ใช่ปกครองนะั้นเป็นเพียงความหมายประกอบความมุ่งหมายก็คือเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษาสำเร็จตามความมุ่งหมายดังนั้นพระอุปชาก็จะมีหน้าที่ตดท่านเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำเบื้องต้นและก็ฝึก เรื่องเกี่ยวกับการที่จะได้เรียนรู้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเจริญใจศิกขาต่อไปเพราะนั้นท่านทั้งหลายได้เข้ามาบอกว่าขอนิสัยให้นิสัยกับท่านและขอให้ขพเจ้าเป็นอุปชาได้บอกว่าอุปชาโยเมพันเตโหหิขอท่านจงเป็นอุปชาของขพเจ้าเมื่อขพเจ้ารับ ท่านทั้งหลายก็กล่าวว่าอัชาตเกทานิเทโรไมหังพาโรนับแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านพระเถระเป็นภาระของข้าพเจ้าก็หมายความว่าต่อไปนี้เมื่อข้าพเจ้ารับเป็นบัตรชาแล้วข้าพเจ้าก็เป็นภาระของท่านทั้งหลายเป็นภาระอย่างไรก็คือภาระรับผิดชอบ เป็นความรับผิดชอบที่ท่านทั้งหลายจะต้องเอาใจใส่คอยสะดับฟังคำแนะนำสั่งสอนให้ความสำคัญไม่ปล่อยปละละเลยคอยดูว่าอุปชาท่านจะมีอะไรแนะนำบอกกล่าวและเพื่อให้ใกล้ชิดกันก็จะมีข้อวัดปฏิบัติต่อกันให้อยู่ใกล้ชิดกันเหมือนเป็นพ่อลูก จะได้เรียนไม่เฉพาะเรียนคำสั่งสอนเท่านั้นแต่เรียนวิถีชีวิตด้วยเรียนความเป็นอยู่เรียนกิริยามันยาติทุกอย่างคือเรียนกันในชีวิตจริงเรียนตั้งแต่ตื่นนอนไปจนทั้งนอนทว่าตามหลักอันนี้เมื่อขา้าพเจ้าไปอุปชาบอกว่าอุปชาก็เป็นภาระของท่านท่านจะต้องเอาใจใส่แล้วท่านก็กล่าวตอบไปว่าอาหาปิเทรสภาโร แม้ขพเจ้าก็เป็นภาระของท่านพระเถระด้วยก็หมายความว่าทุกท่านที่มาขอนิสัยอยู่เนี่ยท่านก็มาเป็นภาระของขพเจ้าด้วยคือเป็นอุภาระเขาพระอุปชาอุปชาก็จะต้องมีความรับผิดชอบที่จะเอาใจใส่คอยดูแล ว, ว่าท่านที่มาขออนิสัยอยู่ด้วยเนี่ยได้มีขาดตกบกพร่องอะไรในทางความเป็นอยู่ก็ดีในการศึกษาก็ดี มีอะไรที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงมีอะไรที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนี่ก็ท่านก็เป็นภาระทั้งสองฝ่ายมีภาระรับผิดชอบต่อกันก็เกิดเป็นความสัมพันธ์ต่อกันในทางการศึกษาท่านก็เลยได้ชื่อขึ้นมาต่อไปนี้ท่านก็มีชื่อที่คู่กับพระอุปชาว่าท่านทั้งหลายนี้เป็นสัตธิวิหาริก อุปชาก็แปลว่าผู้คอยดูแลใส่ใจอย่างที่ว่าสัิวิหาริยก็แปลว่าผู้อยู่ด้วยก็แปลง่ายๆเท่านั้นเองก็มาอยู่ด้วยกับอุปชาน่นจะได้ให้อุปชานี้เป็นที่พึ่งที่อาศัยในทางการศึกษาต่อไปก็มีการปกครองพ่วงเข้ามาก็การปกครองก็เป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นเครื่องมือของการศึกษาเท่านั้นอันนี้ ก็จะมีพุทธบัญญัติต่อไปบอกว่าพระภิกษุบทใหม่เนียจะต้องเล่าเรียนเยอะกว่าจะปกครองตนเองได้ท่านให้เวลาห้าปีนั้นจะต้องอยู่ถ้ายังไม่ศึกไม่ไปไหนเสียก็ต้องอยู่กับพระอุปชาเนี่เล่าเรียนศึกษาไปห้าปีเมื่อครบหปีแล้วถ้ายังปกครองตัวไม่ได้ก็ต้องอยู่ต่อ ถาตามปกติก็ถือว่าไหวเพราะปกครองตนเองได้ก็พล น, นิสัยเรียกว่าเป็นนิสัยยมุตตะกะอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักพระธรรมวินัยที่จะต้องทราบไว้ก็มีพุทธบัญญัติต่อไปอีกเราว่าบางทีเป็นไปได้ที่ว่าบวชแล้วเนี่ยอยู่กันไม่ทานครบห้าปีอุปชามีอันเป็นไปหรือว่า ท่านที่บวชนี่ไปไหนก็ยังไม่พ้นนิสัยคือจะต้องมีที่อาศัยให้การศึกษาอบรมอยู่นั้นถ้าอยู่กับอุปชาไม่ได้หรืออุปชาไม่อยู่ก็จะต้องหาพระภิกษุที่อยู่ในระดับใกล้เคียงกับพระอุปชาคือมีความรู้ความสามารถบวชมา มีประสบการณ์พอสมควรอย่างกับอุปชาเนี่ยแล้วไปขอนิสัยกับท่านผู้นั้นเมื่อไปขอนิสัยให้ท่านผู้นั้นทําหน้าที่ตอนนี้ไม่เรียกว่าอุปชาเรียกว่าอาจารย์ท่านที่ทําหน้าที่แทนพระอุปชาในเมื่ออาาุปชาไม่สามารถทําหน้าที่นี้เรียกว่าเป็นอาจารย์ท่านไปขอนิสัยอยู่กับพระอาจารย์ตัวท่านก็มีชื่อเรียกใหม่ เมื่อกี้นี้อยู่กับพระอุปชาเรียกว่าสัตวิหาริกไปอยู่กับพระอาจารย์เรียกว่าอันเตวาสิกอันเตวาสิกแปลว่าผู้อยู่ในสำนักอันนี้ก็เป็นหลักในทางธรรมวินัยนแล้วก็อยู่กันไปจนกระทั่งครบหปีตอนนั้นก็ปกครองตัวเองได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะให้ชีวิตเจริญงอกงามในการศึกษาในศีลสมาธิปัญญา นี่บอกแล้วว่าการบวชนี่นการบวชเรียนชีวิตตั้งแต่นี้ไปเนี่ยก็เป็นชีวิตแห่งการศึกษาตลอดชีวิตพระเนี่ยต้องศึกษาตลอดไปถ้าศึกษาเก่งปฏิบัติเก่งจนได้เป็นอริยบุคคลชั้นต้นๆก็เรียกว่าเสขะหรือเสกขะแปลว่าผู้ยังต้องศึกษาเสขะเสขะก็แปลมาจากคาว่าสิกขานั่นเองแปลอีเป็นเอ แล้วทาอาให้เป็นสะอสั้นเข้าก็เป็นเสกขะเสกขะเป็นปโสดาบันสกทาคามิยนาคามีเปนอริ ย, าายบุคคลนี้ก็ยังไม่พ้นยังเป็นนักศึกษายังต้องศึกษาอยู่จนกระทั่งเมื่อไหร่เป็นพระอาหารหันต์ก็เป็นเป็นอเสขะอเสขะจึงจะจบการศึกษาได้นะชีวิตพระนี่ตราบใดที่ยังเป็นพระภิกษุก็ต้องอยู่ในใจสิกขาตลอดอยู่ในสิกขาสาม ท่านบอกว่าแม้จะมีพรรษาตั้งเจ็ดปดิบอายุตั้งร้อยแล้วถ้ายังไม่เป็นพระอาหารหันต์ก็ยังต้องศึกษาด้วยไปชีวิตนี้เป็นชีวิตแห่งการศึกษาและพระธรรมวินัยนี้นับแต่บวชไปก็เราบอกว่าบวชเรียนแล้วก็เมื่อบวชเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะต้องบอกไตรสิกขาอีกบอกให้รู้ว่าตั้งแต่นี้ไปแล้วชีวิตท่านอยู่ในไตรสิกขาตลอดสิกขานะครับแปลว่าเรียนนั่นเองแปลเป็นไทย หรือแปลว่าเรียนรู้แล้วฝึกแปลง่ายๆผสมนไปก่อนเราแปลกันว่าฝึกหรือฝึกฝนหรือหัดหรือพัฒนาได้เท้งนั้นเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาอันเรียกเรียนรู้ฝึกศึกษาพัฒนานี่คือความหมายสิกขาทั้งสิ้นเมื่อจังวิงท่านก็รู้ว่าชีวิตของท่านเป็นสิกขาต้องทาความเข้าใจเรื่องสิกขาหน่อยว่า ต่อแต่นี้ไปชีวิตท่านเป็นใจศึกขาทำยังไงศึกขาคือการฝึกทําชีวิตของตนเองให้ดีงามยิ่งขึ้นอย่างที่บอกแต่ต้นว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึกถ้าไม่ฝึกแล้วไม่ประเสริฐมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐได้การฝึกถ้าไม่ฝึกแล้วหาประเสริฐไม่จะแย่ที่สุดคืออยู่ก็ไม่รอดทาไม่ฝึกไม่เรียนรู้นี้พอฝึกแล้วจะเก่งจนกระทั่งเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้นะ อันนั้นก็ให้เอาการฝึกนี้เป็นหัวใจเป็นหน้าที่ของความเป็นมนุษย์นี่ฝึกศึกษาเรียนรู้นี้มีอะไรบ้างท่านก็บอกว่าคนเราเนี่ยมีสามแดนที่จะต้องศึกษาหรือฝึกขึ้นไปแดนที่หนึ่งก็คือชีวิตของเราเนี่ยสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเรามีการติดต่อสัมพันธ์กับภายนอกติดต่อสัมพันธ์ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรารับรู้ดูฟังเห็นเป็นต้น และการเรื่องของการบริโภคการใช้สอยปัจจัย4 ส, สิ่งของเครื่องใช้อะไรต่างๆปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีนี่แล้ว ก, ก็การสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุและก็สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมกับเพื่อนมนุษย์เด็กกันซึ่งเราสัมพันธ์นี้เราใช้นอกจากตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเราใช้อีกอย่างอีกชุดหนึ่ง คือเรามีประตูหรือทางหรือถวาวรสำหรับติดต่อเนะี่ยสองชุดชุดที่หนึ่งนี่มีหกตาหูจมูกลิ้นกายใจชุดที่สองนี่เป็นทางในการทำชุดที่หนึ่งนี่เป็นทางสาหรับรู้ตาหูเป็นต้นนี่ดูฟังได้รู้นี้ชุดที่สองนี่สำหรับทำได้แก่กายวาจาใจทางกายก็ทำเคลื่อนไหวออกมาวาจาก็พูดแล้วก็ใจก็คิดนอนนี้ เราจะต้องมีการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุทางสังคมเนี่ยแดนนี้เราจะต้องพัฒนาให้ดีหลักการการพัฒนาก็คือให้ชีวิตของเราที่ติดต่อสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ก่อการเบียดเบียนไม่เบียดเบียนไม่ทําร้ายสิ่งแวดล้อมทางมนุษย์และวัตถุธรรมชาติแล้วก็ไม่เบียดเบียนตนเองถ้าเก่งขึ้นไปก็ให้เกื้อกูล ให้เกื้อกูลแก่สิ่งแวดล้อมทั้งเพื่อนมนุษย์ทั้งสิ่งทั้งหลายทุกอย่างแล้วก็เกื้อกูลต่อชีวิตของตนเองนั้นแดนของความติดต่อสัมพันธ์นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ก็เริ่มตั้งแต่ว่าใช้ตาดูหูฟังเป็นต้นตาดูหูฟังก็ดูยังไงฟังยังไงจะไม่ให้เกิดโทษดูแล้วไม่ได้แต่เพียงลุ่มหลงแล้วก็ติดอยู่แค่ชอบใจไม่ชอบใจ แต่ดูฟังแล้วให้ได้ความรู้ได้ประโยชน์เอามาใช้พัฒนาชีวิตของตนเอามาใช้แก้ปัญหาเอามาสร้างสรรค์ทําการต่างๆได้ถ้าดูฟังเป็นต้นแล้วได้ความรู้ได้ประโยชน์นี่เรียกว่ามีศีลถ้าดูฟังแล้วเป็นต้นแม้แต่ใช้ลิ้นใช้ใจไม่เป็นติดอยู่กับความรุ่มหลงมัวเมาก็ไม่มีศีลอันนี้ศีลหมวดที่หนึ่งาเรียกว่าอินทรียสังวรศีล การใช้ตาหูเป็นต้นสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมต่อไปก็อย่างที่กล่าวเนี่ยเราสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเรื่องการบริโภคใช้สอยกินอยู่ตั้งแต่กินอาหารใช้เสื้อผ้าเป็นต้นก็ดูว่าบริโภคเป็นไหมกินเป็นไหมใช้เป็นไหมดูยังไงกินเป็นใช้เป็นา ก, กินอาหารกินเป็นกินยังไงก็ต้องกินได้ปัญญา คือรู้ความมุ่งหมายว่ากินเพื่ออะไรคนจำนวนมากเกิดมายังไม่เคยถามตัวเองว่ากินเพื่ออะไรพระบวชต้องถามทันทีก่อนบวชแต่หมายก่อ น, นีะอยู่วัดต้องให้ท่องและปฏิสังขายโยนิโสปินปาต่างปฏิเสวามิขพเจ้าพิจารณาแล้วดยแยบขายจึงบริโภคอาหารนี้ว่าที่บริโภคนี้ไม่ใช่มุ่งเพื่อจะเล่นสนุกสนานวันเทิงมัวเมาเอโกออลเก๋ แต่รประทานนี้เพื่ อ, อยังชีวิตให้เป็นไปได้เพื่อเกื้อกูลกับชีวิตที่ดีจะได้เอาร่างกายนี้ไปใช้ประโยชน์สร้างสรรค์ทําความดีงามไปศึกษ า, เ ร, าเรียนอะไรต่างๆเนี่ยก็กินได้ปัญญารู้ว่ากินเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดีจะได้ร่างกายไปใช้ประโยชน์ในทางที่ดีงามนีก็ให้กินเพื่อเกื้อหนุนชีวิตที่ดีงามนั่นเองถ้ากินอย่างนี้ก็ไม่มีโทษ กินแล้วก็ให้อยู่ผาสุขไม่เกิดโทษไม่เกิดปัญหาแก่ชีวิตแก่ร่างกายแก่สุขภาพอย่างนี้ถ้าเรียกว่ากินเป็นก็เรียกว่ามีศีลในการบริโภคจะใช้เครื่องหนุ่งห่มจะใช้ที่อยู่อาศัยต้องพิจารณาทั้งหมดเรียกว่ากินอยู่ใช้สอยบริโภคได้ปัญญาไม่บริโภคได้โมหะหรือตัญหาแล้วก็จะได้ความพอดีเพราะกินได้ปัญญาก็จะรู้ขอบเขตว่า กินเท่าไหนมันจ <udge S 2> <paid> ึงจะได้ผลตามความมุ่งหมายอันนี้ก็เป็นศีลหมวดหนึ่งเรียกว่าปัจจัยสันนิิฐศีลหรือปัจจยปฏิเสวนาแล้วก็คนเราต้องอยู่ร่วมสังคมอยู่ไงไม่เบียดเบียนการเกื้อกูลการเป็นสังคมเป็นชุมชนที่ดีก็ต้องมีระเบียบมีวินัยมีกฎมีกติกากฎกติกาในการอยู่ร่วมการชุมชนก็เป็นศีลหมวดหนึ่งเาเรียกว่าปาติโมกขสังวรศีลและอีกอย่างหนึ่งก็คนเราอยู่ในโลกก็ต้องเลี้ยงชีพ ต้องมีทางที่จะได้มีชีวิตเป็นอยู่ก็ต้องมีสมมาชีพเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องก็งเป็นศีลมวหนึ่งอย่างญาติโยมก็ต้องมีศีลที่เลี้ยงชีพโดยอาชีพที่สุดจริตไม่ผิดกฎหมายไม่เบียดเบียนใครเป็นอาชีพที่สร้างสรรอย่างพระนนนี้ก็เป็นอาชีพที่เป็นอยู่ในตัวก็คือทาหน้าที่รักษาธรรมะไว้ให้แก่โลกถ้าเรารักษาธรรมะให้แก่โลก ประชาชนรู้ว่าธรรมะเป็นสิ่งจําเป็นถ้าไม่มีธรรมะและสังคมก็อยู่ไม่ได้ก็จะต้องเกื้อหนุนแก่ผู้ที่รักษาธรรมะไว้ให้แก่สังคมแล้วเขาเลื่อมใสมิสตาเข้ามาเลี้ยงเองพระไม่มีสิทธิ์ไปขอเขาพระภิกษุไม่เป็นอาพาธไม่เจ็บไข้ไปขออาภารเพื่อตนฉันต้องอบัตมีความผิดนั่นก็ต้องอยู่ด้วยอาชีพบริสุทธิ์ก็คือว่าเขาเลื่อมใสเขาเห็นคุณค่าประโยชน์แล้วเขาก็ ถวายพระตาลก็ทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายอะไรงนี้ก็อันนี้ก็เป็นศีลของพระภิกษุท่าบอกให้อยู่ในโลกนี้ให้อยู่เหมือนอย่างกับแมลงพึ่งแมลงพึ่งนั้นขยันไปตามหมู่ไม้ไปเก็บน้ำหวานและเกสรดอกไม้ท่านบอกว่านาพึ่งเนี่ย ไปเอาน้ำหวาละเกศรไม่ทำดอกมาให้ชอกช้ำแม้แต่สีและกลิ่นก็ไม่ชอกช้ำพระภิกษุก็พึงเที่ยวไปในชาวโลกชั้นนั้นคือไปอยู่ในโลกแล้วอย่าให้เขาชอกช้ำไม่ว่าทรัพย์สินเงินทองหรือศรัทธาหรือจิตใจแต่ว่าต้องไปบำรุงจิตใจเขาให้จิตใจดีงามก็เป็นผู้ที่ เหมือนกำแพงพึ่งมแมลงพึ่งไปนี่มีแต่ไปช่วยให้ดอกไม้เจริญงอกงามแพร่พันธุ์ดีขึ้นไปอีกนั่นก็ท่านบอกให้มุนีพระสงฆ์เนี่ยอยู่ในโลกเหมือนอย่างนั้ น, นก็ให้ทำตนให้เลี้ยงง่ายพระสงฆ์ก็เลยมีชีวิตที่ขึ้นต่อวัตถุน้อยหน่อ ย, ยก็พยายามที่จะเอาวัตถุมาเป็นเพียงปัจจัยเคลื่อนหนุนในการที่จะได้ศึกษาในสิกขาต่อไป อันนี้ก็เป็นศีลหมดหนึ่งก็เป็นศีลรวมทั้งหมดสี่ประเภทนี่คือแดนที่เราติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกทั้งสิ่งแวดล้อมทางวัตถุและทางสังคมก็เป็นศีลทั้งหมดเนี่ยซึ่งเราไม่ค่อยรู้กันเรามักจะรู้จักแค่ศีลห้าศีลในการบริโภคอาหารศีลในการดูฟังทีวีนี่ไม่มีเพราะฉะนั้นดูทีวีก็ดูไม่เป็นก็เสียศีลดูเป็นก็มีศีน่ ดูแลได้ความรู้ไหมได้คติได้ประโยชน์ไหมนั่นก็ต้องฝึกกันตั้งแต่ในบ้านถ้าเด็กมีศีลและประเทศไทยจเจริญแน่เวลานี้น่าเสียดายที่ใช้เทคโนโลยีก็ไม่เป็นดูทีวีก็ไม่เป็นดูใช้สื่อต่างๆไปทางลุ่มหลงโมัวเมาหมดไม่มีศีลถ้าใช้เป็นมีศีลแล้วก็ประเทศไทยจเจริญพัฒนาแน่นอ น, น ก็พระนิทัตนก็ให้เน้นสีนี่ก็เป็นอันว่าสี่หมวดเนี่ยนแดนที่หนึ่งแล้วชีวิตแดนนี้ก็แดนใหญ่มากลตลอดจนกิริยามารยาตความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ในสังคมทำไงจะอยู่ให้สังคมนี้มันสงบเรียบร้อยมีระเบียบมีความสวยงามประณีตยิ่งขึ้นนี่ด้านที่หนึ่งทีนี้แดนที่สองก็ต่อไปเบื้องหลังแดนที่แสดงออกติดต่อสัมพันธ์ภายนอก มีพฤติกรรมต่างๆเนี่ยก็คือจิตใจเราจะทำอะไรจะดูอะไรฟังอะไรจะใช้มือทำอะไรจะบริโภคอะไรต้องมงีความตั้งใจความตั้งใจนี้ก็เป็นแดงของจิตใจจะตั้งใจยังไงมันอยู่ที่ตัวแรงจูงใจข้างหลังแรงจูงใจดีหรือชั่วนะีมีความโลภมีความโกรธก็ตั้งใจไปอย่างหนึ่งมีความเมตตากรุณามีศรัทธามีคุณธรรมความดีก็ตั้งใจไปอีกอย่างหนึ่ง แล้วก็จิตใจยังมีเรื่องของความสามารถมีความเพียรพยายามมีความเข้มแข็งมีความอดทนมีใจสู้ไม่ระยอไม่ไม่ท้อแท้ต่อุปสรรคนะมีสติยับยังควบคุมตัวเองได้นะมีสมาธิจิตใจตั้งมั่นแน่วแนว่นีก็เรื่องแดดจิตใจเท่านั้นแล้วก็เรื่องสุขเรื่องทุกขจิตใจคุนมวลเศร้าหมองหรือล่าเริงเบิกบานผ่องใส ตรงนี้แดดจิตใจก็เป็นเรื่องใหญ่มากที่เรามาสัมพันธ์กับโลกภายนอกถ้าจิตใจไม่ดีก็สัมพันธ์ไม่ดีก็การเบียดเบียนเป็นตน้นถ้ารู้จักสัมพันธะ์ดีน่ยจิตใจก็ดีด้วยถ้ารู้จักดูจากฟังเป็นตน้นมันก็เกิดผลกับจิตใจในทางที่ดีก็สัมพันธ์ซึ่งกันและกันสมายความว่าจิตใจก็เป็นปัจจัยเกื้อหนุนกายวาจากายวาจาทําดีหรือตาหูจมูกลิ้นกายของเรา ใช้เป็นถูกต้องก็เกิดผลดีกันจิตใจไปด้วยนิแดนจิตใจก็เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องพัฒนากันแม้แค่ว่าฝึกสมาธินี่ยังต้องทำกันเป็นคอร์สใหญ่บาทีเข้ากันตั้งสิบ้าวันหรือเดือนหนึ่งแค่เรื่องสมาธิอย่างเดียวเอาแล้วก็นี่ก็เป็นเรื่องแดนที่สองแดนจิตใจซึ่งใช้สมาธิเป็นตัวแทนสมาธินี่เป็นคุณสมบัติสาคัญอย่างหนึ่ง ในแดนเขาจิตใจแล้วมักจะใช้ชื่อเป็นตัวแทนของด้านจิตใจก็เลยเรียกว่าแดนสมาธิต่อไปแดนที่สามก็คือคนเราเนี่ยต้องมีความรู้เราจะเคลื่อนไหวไกายวาจาเราจะบริโภคอะไรเราต้องรู้ถ้าเราไม่รู้แล้วทำอะไรไม่เป็นคนไม่รู้ก็เคลื่อนไหวทำอะไรได้จำกัดยิ่งรู้ชัดเจนรู้กว้างขวางการเคลื่อนไหวทำอะไรก็ซับซ้อนได้ผลดียิ่งขึ้นจิตใจก็เหมือนกัน จิตใจถ้าว่าเรามีความรู้มีปัญญาเราก็แก้ไขปัญหาจิตใจได้เราเจอคนเขาไม่ยิ้มเขาหน้าบึง้งเราก็โกรธตอบไม่ชอบใจแล้วก็ทุกข์ไม่สบายใจด้วยกันเพราะเราคิดใช้ปัญญาว่าเออเขาอาจจะมีอารมณ์ค้างเขาอาจจะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุมานะไม่ใช่มาโกรธแล้วลอกนีเออพอเขามีปัญหาของเขา่าเราน่าจะไปไถ่าถามช่วยเหลือเขามากกว่าพอมีปัญญาขึ้นมาเปลี่ยนจิตใจเลยจาก โกรธจากทุกเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นสงสารมีคุณธรรมอยากช่วยเหลือเขามีความสุขหรือเราไม่รู้อะไรไปเจออะไรทำอะไรไม่ถูกเนี่ยก็อัดอั้นตันใจมีความทุกข์พอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะทำไงต่อมันในโล่งเลยปัญญาก็ทำให้เกิดอิสรภาพนั้นปัญญาเนี่ยเป็นตัวชี้ช่องนำทางขยายขอบเขต เคยทําได้เท่านี้พอมีปัญญารู้มากขึ้นก็ขยายขอบเขตทําได้มากขึ้นเคยติดตันก็เป็นอิสระด้วยปัญญานั้นแดนปัญญาก็เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดมาควบคุมมานําทางแดนของการติดต่อสัมพันธ์โลกภายนอกพฤติกรรมจิตใจหมดเลยดังนั้นปัญญานี้เป็นตัวที่จะนําไปสู่การตรัสรู้จึงเป็นเรื่องใหญ่ตั้งแต่การรู้ทางตาทางหูทางจมูกไปสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้ตาหู ใช้เป็นก็ได้ความรู้อย่างที่ว่าเมื่อกี้มันก็ทำให้เกิดปัญญาจิตใจดีงามมีความอดทนสู้ปัญหาคิดไม่ย่อท้อเราก็เกิดปัญญาขึ้นมานะก็ปัญญาก็อาศัยจิตใจด้วยนี่ปัญญาก็มีตั้งแต่การรับรู้ให้ถูกต้องตรงความเป็นจริงการรู้จักพิจารณาคิดวินิจฉัยปัญหาโดยไม่เอ็นเอียงด้วยอคตนะิการรู้จักคิดคด้นสืบสาเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลาย การรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะสิ่งต่างๆออกไปการรู้จักคิดเชื่อมโยงเอาข้อมูลความคิดมาประมวลเชื่อมต่อการสร้างความรู้ความคิดใหม่นะอะไรต่างๆเหล่านี้แม้แต่ปัญญาในการสื่อสารนะการเรียนการฟังคนอื่นฟังแล้วรู้เข้าใจแค่ไหนจับประเด็นให้ถูกอะไรต่างๆเหล่านี้เรื่องปัญญาเป็นเรื่องใหญ่นะในการที่จะทําให้ชีวิตของเราจเจริญงอกงาม แม้แต่แดนที่หนึ่งศีลแดนที่สองสมาธิเจริญไปได้ก็เพราะเรื่องปัญญาเนี่ยมาช่วยขยายขอบเขตแล้วก็ปรับแก้แล้วก็ทำให้พัฒนายิ่งขึ้นไปเรื่องปัญญาก็เป็นเรื่องใหญ่มากก็ถือว่าเป็นยอดธรรมพุทธเจ้าตรัสว่าปัญญานี่เป็นเป็นยอดเป็นธรรมะสูงสุด ที่จะทำให้ตรัสรู้ได้ก็รวมแล้วก็เป็นแดนที่สที่เราจะมาบวชเรียนหรือไม่บวชเรียนก็ตามญาติโยมทั้งหลายก็อยู่ในสามแดนนี่แหละก็คือแดนที่หนึ่งแดนติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอกด้ตาหูจมูกลินกายตลอดจนด้วยพฤติกรรมกายวาจาแล้วแดนที่สองก็เรื่องของจิตใจทางด้านคุณภาพคุณธรรมทั้งด้านสมรรถภาพทั้งด้านความสุข และก็เรื่องของปัญญาแดนของความรู้ความเข้าใจการคิดการที่จะได้ให้ความสว่างเข้าถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายเนยีเราก็มาฝึกกันในเรื่องเหล่านี้นี่ก็เรื่องใจศีกขานี่ก็รวมไปว่าเป็นสรุปคําสอนทั้งหมดหลักการศึกษาทั้งหมดที่เราจะต้องเกี่ยวข้องส่วนรายละเอียดก็ไปศึกษากันต่อไป เมื่อทําความเข้าใจกันอย่างนี้แล้วรู้ว่าชีวิตของเราคือตจสิกขาเนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายบวชไปแล้วก็ขอให้เจริญฝึกตนในด้านทั้งสานี้ให้ดียิ่งๆขึ้นไปบวชไปแล้วก็ต้องถามว่าเออในด้านศีลพฤติกรรมของเราการใช้ตาหูจมูกลิ้นการใช้กายวาจาเป็นต้นนี่ของเรานี้การบริโภคการใช้ปัจจัยสี่สิ่งของเทคโนโลยีนี่เรามีหลักมากขึ้นไหมใช้เป็นดีขึ้นไหมนะ่ะ และการอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์รู้จักเกื้อกูลกันมีความสัมพันธ์ที่ดีรู้จักพูดจักจะอะไรดีขึ้นไหมนี่เรื่องศีลทั้งนั้นอย่างน้อยก็ไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายใครด้านที่สองก็ดูว่าด้านจิตใจของเราดีขึ้นไหมโดยคุณธรรมโดยความสามารถเข้มแข็งของจิตใจโดยความสุขความร่าเริงเบิกบานผ่องใสของจิตใจเป็นต้น แล้วก็สามด้านปัญญาอย่างน้อยก็รู้เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่จะเอาไปใช้ประโยชน์เป็นหลักในการดาเนินชีวิตตลอดจนกระทั่งฝึกในการคิดการพิจารณาสิ่งต่างมองโลกมองชีวิตรู้จกักพลิกสถานการณ์ร้ายให้กลายเป็นดีได้นะท่านบอกว่าทุกอย่างในโลกนี้แม้แต่เลวที่สุดถ้ามองเป็นก็ได้ประโยชน์นะอย่างน้อยก็ได้ความจริงเราก็ต้องฝึกฝึกวิธีคิด มันก็เป็นการฝึกปัญญาก็ถามตัวเองว่าเราได้แค่ไหนเราลือทดสอบไปเรื่อยๆได้สามแดนก็เป็นอันว่าเรื่องใจศิกขาก็มีหลักการอย่างนี้ทีนี้ต่อไปนี้ท่านถือว่าพร้อมและรู้จักชีวิตพระก็พร้อมจะบวชอุปสมบทต่อไปนี่ในการที่จะอุปสมบทเนี่ยบอกแล้วว่ากีเนี่ยท่านเข้ามาขอนิสยัยขอให้ข้าพเจ้าเป็นอุปัชาการที่มาขอให้เป็นอุปัชาก็เพราะว่า ที่ประชุมสงฆ์ในเวลาพิจารณาจะรับท่านเขาหรือไม่เนี่ยต้องใช้มติส่วนรวมแล้วต้องเป็นเอกฉันอันนี้ว่าต้องดูว่าท่านมีคุณสมบัติไหมและปฏิบัติตามคุณธบัญญัติไหมคุณธบัญญัติอย่างหนึ่งก็คือมีอุปชาที่จะดูแลเป็นหลักประกันให้ว่าท่านบวชแล้วจะไม่เคว้งคว้างเลื่อนลอยอ น, นั้นสงฆ์ก็จะพิจารณาว่าเออท่านผู้นี้บวชเข้าไปแล้วนี่จะมีผู้รับผิดชอบดูแลจะใส่ให้การศึกษาเป็นที่อาศัยไหม ถ้าไม่มีก็ไม่ยอมให้บวชท่านก็เลยมาขอให้พระพเจ้าไปอุปชานี่ก็ได้อุปชาแล้วก็เข้าไปบอกที่ประชุมสงฆ์ที่ประชุมสงฆ์ก็ก็จะมีพระอาจารย์ที่เป็นคู่สวดขึ้นมาสวดหนึ่งก็ตรวจสอบคุณสมบัติของท่านที่เราเรียกว่าขานหนากก็คือตรวจสอบว่าท่านมีคุณสมบัติจะบวชได้หรือเปล่านะเรียกว่าถามอันตรา ย, ยิกธรรมเสร็จแล้วก็บอกกับที่ประชุมว่าตั้งเป็นข้อเสนอว่า เรียกว่ายติ ต, ตั้งยติยตินี่มาจากพระและสภาก็เอาไปใช่ก็คือสภาของพระเนี่ยมีอยู่ก่อนแล้วเราตั้งยติว่าเนี่ยท่านผู้นี้ชื่อนี้มีอุปองค์นี้เป็นอุปชาเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างนี้นีแล้วเนี่ยจะบวชที่ประชุมสงฆ์จะเห็นชอบด้วยไหมแล้วก็เมื่อที่ประชุมสงฆ์เห็นชอบก็จะประกาศมติขอมติ ถ้าหากว่ามีใครคัดค้านก็บวชไม่ได้ถ้ า, ากว่าเห็นชอบในการไม่มีใครคัดค้านก็บวชสาเร็จก็ประกาศเรียกว่าประกาศขอมติเนี่ยสามครั้งอนุสาวรนาแล้วจบแล้วก็สรุปว่าบวชสําเร็จไอันนี้ในการที่ไปบวชก็แปนว่าจะต้องตั้งยติแล้วก็เอาชื่อตัวท่านไปประกาศไปเสนอที่ประชุมแล้วก็เอาชื่อประชาไปเสนอด้วยตอนนี้ก็เลย จะต้องให้ท่านเรียนรู้จักชื่อกันไว้นี้เวลาต่างยติสวดประกาศต่างๆเนี่ยใช้เป็นภาษาบาลีนี่ภาษาไทยที่เป็นชื่อแต่ละท่านเนี่ยไม่สะดวกเพราะว่าภาษาบาลีมีไวยากรณ์ต้องมีการผันรูปต่างๆก็เลยจะตั้งชื่อเงาให้ท่านชื่อเงานี้เอาไปใช้แทนชื่อตัวเรียกว่าฉายาฉายาเป็นชื่อเงาชื่อเงาก็ให้ทั้งห้ารูปเนียหนึ่งสมเป็ทันวา ก็เอาฉายาว่าธิตามโนธิตามโนก็แปลว่ามีใจมั่นมีใจตั้งมั่นธิตามโนทีนี้พระอาจารย์ที่เป็นคู่สวดท่านก็จะถามว่ากินนาโมสิเธอชื่อไรก็ต้องตอบว่าอาังพันเตธิตามโนานามะเอา้าลองถามดูกินนาโมสิ อ้อาวลทีนี้นอกจากถามชื่อตัวก็จะถามชื่อพระอุปชาด้วยว่าใครเป็นอุปชาท่านก็จะถามว่าโกนามเตอุปชาโยอุปชาของท่านชื่อไรเอาตอบอ้าวล้วนี่ก็เตรียมไปตอบได้ทีนี้ต่อไปสมเร็จวิศวกรก็ใช้ฉายาวะสุธิกโรสุธิกโรก็แปลว่าผู้สร้างความบริสุทธิ์ เุาสร้างความบริสุทธิ์ถามว่ากินนาโมสิโกนามเตอุปชายโยอ้าวลนี้ต่อไปก็สามเณรจกรักกฤษให้ฉายาว่าอริยะจักโกอริยะจักโกจักนี้แปลว่าลอ้อหมายถึงธรรมะที่เหมือนลอ้อหนึ่งก็นำตัวเองไปสู่ความเจริญสองก็ นำความเจริญไปแผ่ขยายให้เขาสทําำอย่างนี้ก็นําอํานาจไปแผ่อย่างพวกอาณาจักรนี่นาอํานาจไปแผ่ก็สอย่างหนึ่งนาอํานาจไปแผ่สองนำความดีงามไปแผ่สามนำตัวเองไปสู่ความเจริญก็ต้องไปศึกษาต่อไปว่าธรรมะอะไรที่จะเป็นเหมือนล้อที่นําไปอย่างนี้ก็ไปอ่านว่าให้ฉายาอริยจักโกก็ถามว่ากินนาโมสิ โกนามะเตอุปชายโยนี้ต่อไปก็สมเณรกรรแหงสมเณรกรรมแหงก็ให้ฉา ย, ยาว่าสุทธะมนโนสุทธะมนโนก็แปลว่าวมีใจบริสุทธิก็ถามว่ากินนาโมสิสมโก น, นามะเตอุปชายโย นี่ก็ไปสามเณีธรรมรัตสมเณีธรรมรัตก็ให้ฉายาว่าวะชิระธรมโมวชิระธรมโมก็ว่ามีธรรมะซึ่งมีค่าประดุษเพชรนะก็ถามว่ากินนาโมสิโกนามเตอุปชัยโยก็ไปอันว่าได้รู้เข้าใจ สิ่งที่จะนำไปใช้ในที่ประชุมสงฆ์ในตอนทําสังฆกรรมคือการบวชแล้วก็ถือว่าทุกท่านพร้อมเออพร้อมอย่างนี้แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือจะบอกบริขารเพราะว่าพระสงฆ์ภิกษุเนี่ยมีบริขารมีเครื่องใช้สอยน้อยเท่าที่จำเป็นเพื่อให้ชีวิตนี้ปลอดโปร่งโล่งเป็นอิสระจะได้ตั้งใจอุทิศตัวอุทิศเวลาการศึกษาเต็มที่ก็เลยมีบริขารจาเป็นแค่บารจีวร ตอนนี้ก็เลยว่าเป็นภาษาบาลีแนะนําให้รู้จักชื่อบริขารไว้ปัทมังอุปชังคาหาเปตโพอุปัชังคาหาเปตวาปัตจีวรังอาจิกิตพังคุกเข่าเข้ามาถือบาทเข้ามาใกล้ๆเข้ามาอีกนิดเข้ามาอีกหน่อยเข้ามาให้จับถึงเลยอิยันเตปัตโตนิบาทของคุณ อยังสังาติมีภาสังคติพาทาพศอนอยังอุตราสังโคนี้พระห่มอยังอันตรวาสโกนี้พระนุ่งสบงคัตชะอมุมฮิโอกาเสติดทาหิไปยืนไปรอที่จัดไว้ก่อนไปมีที่นั่งจัด